ท่านสาธุชนพุทธบริสัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันเรื่องราวขโมหศดคราวที่แล้วปรากฏว่ามาหยุดลงตอนที่ถ้าหายขโมหศดสามร้อยคนไปจับพระราชุเจนนีขมเจ้าจุนนีพระมทัดเอกอาครมเหสีและลูกชายลูกสาว โดยใช่ลีลาว่าเวลานี้พระเจ้าจุลนีพมทัตจับมโหสถกับพระเจ้าอิทหิหารได้แล้วและก็กำลังจะดื่มน้ำชายบาลเป็นน้ำชัยชนะครั้งใหญ่ตอนนี้ไปในชมพูทวีปเป็นเมืองของพระเจ้าจุลนีพมทัตทั้งหมดใช่ไหมอรหิมาณะเก่งมากนะ ดูลีลาการโทษลูหลานที่รักถ้าเราอยากจะเป็นนักรบไอการรบใน ล, ลูหลานที่รักตามปกติการรบด้วยอาวุธมันไม่มีความหมายถ้าเราใช้อาวุธอย่างเดียวเขามีอาวุธร้ายแต่เรามีอาวุธร้ายไม่พอก็ดูตัวอย่างคราวสงคารามอินโดจีนเรามีอะไรทุกอย่างสู้เขาไม่ได้เลย เวลานั้นหลวงปู่เป็นทหารกับเขาด้วยช่วยการรบแม้แต่แผนที่การเดินทัพของเราก็ไม่มีเป็นอนุว่าทุกเสียงทุกอย่างเราเสียเปรียบเขาหมดแต่ว่ากำลังใจของคนไทยซึ่งเป็นลักครบครจากในอดีตแล้วก็สมัยนั้นมีคนขายชาติเหมือนกัน ที่ขายแผงของเราให้กับฝรั่งเศสเขาก็ต้อถูกจริงเป้าการเป็นท่ายเขาไม่มีประโยชน์รัฐิการเมืองไม่มีความสําคัญสําคัญอยู่ที่คนนักาหารไทยของเราเป็นลักลอบไทยตั้งแต่โบราณเขินแผ่นดินที่ลูกที่หลานเดินอยู่เวลานี้มันเป็นเลือดเลือเลือกระดูกขันหมาของมันพระบุรุษของเรา ที่รบกันตายทับถมพื้นแผ่นดินสูงขึ้นมาเท่าไรพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่มีความสุขสบายเพราะชีวิตเลือดเนือของท่านท่านเสือสละชีวิตเลือดเนื้ อ, เ, เ, อ เ, เพื่อสร้างความสุขให้กับพวกเราฉะนั้นขอลูกหลานที่รักมีอะไรบ้างที่ทางหน่วยราชการทำไม่ดีหรือว่าทางรัฐบาลทำไม่ดีแล้วก็จัดการกันไปส่วนบุคคลยาทาลายชาติ อย่าคิดว่าการเป็นทาสเป็นของดีดูตัวอย่างยวนราวเขเหมือนเวลานี้เขาไม่ได้มีอิสระเลยสู้เราไม่ได้ขอรู้หลานที่รักตรงตั้งใจทําความดีนิไหนร้ายถักเฉพาะนิ้วนั้นจะว่ากันสิทั้งหมดคนดีก็มีตามมาสิบวกรานุว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไป ถ้าค้ารการเลวก็จัดการกับค้ะราชการเฉพาะบคุคคลถ้าคณะรัฐมนตรีเลวแล้วก็จัดการกับคณะรัฐมนตรีเฉพาะบุคคลถ้าผู้แท น, นรัศดรเลวแล้วก็จัดการกับผู้แทนรัศดรเฉพาะบคุคคลมันเป็นของทำไม่ยากในวัาถามหลวงปู่เลยว่าทํำยังไงหลวงปู่เป็นพระหลวงปู่เป็นพระบอกไม่ได้เสร็จแล้ว ถ้าหลวงปู่โน่กางเกงอย่าสมัยก่อนเป็นของไม่ยากเพราะว่าคนไทยเรานี่กลัวคนบ้าสมัยเมื่อลมปู่เป็นคราวาสลมปู่เป็นคนบ้าเวลาเป็นพระลมปู่ก็เป็นพระบ้าพระบ้ายัางไงพระที่เขามีความโลภโมโทสันน่ายดยธยาน่ายดยถาบรรดาศักลมปู่ก็ไม่มีความปรารถนาอย่างเขาเขาก็หาว่าบ้า ไปที่ไหนสร้างความเจริญที่นั่นพระเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันบรรดาพวกพระบางพวกนะแต่พระผู้ใหญ่ที่ท่านมีปัญญาท่านชอบแต่พระที่ใหญ่มั่งไม่ใหญ่มั่งเขาไม่ชอบเพราะว่าเขาโกงเขากินกันไม่ได้ยิ่งหงปู่ผู่โตอย่ า, ยานึกว่าพระทุกองดีทุกองแล้วก็อย่านึกว่าพระทุกองเลวทุกอง พระที่ดีถ้าก็มีอยู่มากพระที่เลวก็มีอยู่มากก็เหมือนคนพระก็คือลูกชาวบ้านฉะนั้นขอนลูกหลานที่เรเไปไหว้จะไหว้พระก็นั่าดูเพระพระองค์หลายได้อยากไม่หลาบอยากได้ยศไม่รู้จักการเสียสละอย่าไปไหว้ให้เสียมือเลยไม่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการก็เหมือนกันถือว่าเขาเป็นลูกจ้างข้อเราเขาไม่เยี่ยมอเรา ถ้าเขาทำตามระเบียบวินัยเรายอมกลัวถ้าเขาไม่ทําตามหน้าที่ตามระเบียบวินัยของเขาซึ่งมันมีอยู่ไม่ต้องไปกลัวเขาเรามากกว่าใช้วิธีนี้เพียบสบายอย่าเอะอะวยวายอย่าได้ินขบวนอย่าสไตรมันเป็นการทําลายตัวเองสเสศรษฐกิจของชาติหมดไปเราก็คลอยจน ฉะนนลุกคนใดทำไมดีเราว่ากันเฉพาะคนมันเป็นขอมม่ยากเดี๋ยวก็เสร็จไม่จะหาล้มูตบตีไม่มาเสียกันนะแต่ว่ากันไปเราว่าให้มันถูกทางอย่ามันผิดทางราว่ากันเงียบเงียบง่ายๆสบายๆว่าให้ถูกทางเราเรียนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ใจการแสดงว่าผู้ใหญ่คนนั้นเลวด้วยจัด ก, การผู้ใหญ่ซะด้วย เอาใักอย่างนี้ไม่ช้ามัาหมดไปเลือกไว้แต่คนดีเงินที่เขาได้ไปมันเป็นภาเสียก่อนที่เราหามันได้โดยยากฉะนั้นอย่าไปอ้าวว่าเขาเป็นข้าใหญ่กันเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นยังไงตรนี้ไม่แค่คนเหมือนกันจะเป็นอะไรว่าแค่คนคนเกิดและมันตายเหมือนกันทำไมเราจะต้องเป็นนั่งกลัวเขา ทีเลานี้ความลำบากยากแค้นเกิดขึ้นมาถึงก็ตั้งคณะขบวนอะไรขึ้นมานั่นแหละจะทาอย่างนั้นจะทําอย่างนี้แต่ความจริงเรื่องมันใหญ่มากเกินไปแล้วว่าการเยี่ยมเยี่ยมปเดี๋ยวก็เสร็จว่าแบบไหนหลวงปู่มไม่บอกใช้ปัญญาแบบมโหสถคุยกันเรื่องรามโมโหสถต่อไปว่าพระนาวสลกะกฐีวีพระจิตุนีเชื่อสนิทเชื่อเลย เชิญชวยวรานางรนทาเทวีและบัญจาระจันทกุ ม, มารและบัญจาระจันทเทวีพระรจิติได้ออกจากพระตำหนักไปเที่ยวเทอบันไดบรรดาทหารเหล่านั้นก็นำ็จไปตามทางอุม โ, มโม์ทำไมพนางค่อยคิดแปลกใจว่าอุมโม่เนี่มาสร้างแต่เมื่อไหร่ พนาสลากะเทวีสองสองสายที่มีลมหมอกเจียงได้ตรสถามว่านี่ข้าอยู่ที่นี่มานานแล้วนะยังไม่เคยทราบเลยว่าไอ้ที่ลงมาทางนี้มันมันเขาสร้างกักนทำอะไรมันนาทาหารนั่นหลายตอนนั้นก็กล่าบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าทางนี้เป็นทางมงคลไปเจ้าขา ไม่ให้เปิดสำหรับคนทั่วไปรือว่าเปิดไว้เป็นประจำจะเปิดเฉพาะคนที่มีเกียรติสูงเท่านั้นแล ะ, ะเฉพาะวันที่เป็นวันมงคลเท่านั้นวันนี้มันเป็นวันมหามงคลราชาจุล น, นีทรงทำพิธีดึ่มชายบาลจึงได้เปิดสำหรับทั้งสี่พระองค์เพื่อเสด็จในพิธีไปเจ้วค่ะหมาเข้าสวยจริงๆนะ รูหลานจำไหมนะน้ำร้อนปราเป็นน้ำเย็นตราตายเราจะรปกาศตนนไยสัตรู้กับใครจะาทำท่าเอะววายไม่ได้เกิดประโยชน์ใช้วาจาหวานๆเปียวาจาวาจาเป็นที่รักฆ่าสิบตายใจง่ายพนานสละรัเทวีพร้อมด้วยองค์อื่นๆทรงเชื่อว่าเป็นความจริง เจ้ากันเด็ดดำเนินไปามพร ะ, ระองตอนตอตโมงนั้นจะอรอบพระอมมงค์เอาแล้วว่าจะใช้ได้ทหารบางทหารบางพวกที่นำสนเสด็จไปนะแบ่งคณะทหารสามร้อยนี่บางกลุ่มเขาก็นำสนเสด็จทั้งสี่พระองค์ไปบางพวกกลับไปปิดพระคลังแต่ไม่จะปิดโเปิดพระคลังในพระราชนิเวศเก็บซับ สิ้ตามความประสงค์มาเอาซะแล้วสิล่นคนไม่พอเพิ่นขอันด้วยดูนี่ใครเฉลา่ยกว่าใครพลนนางสลากบเทวีพระบิดาพระราชาวง์ทั้งสามพระองค์เมื่อเดินเข้าโมงทรงรู้สึกเหมือนกับเทวสภามันสวยจริงๆสำคัญว่าจัดไว้สมหรับพระราชา ในตอนต้นที่มโหสดกราบทูลพระราชาว่าวช้างของข้าพระพุทธเจ้าชอบเล่นน้ำถ้าน้ำจะขุนบ้างแล้วขอภายด้วยให้ช่วยเวรการกับประชาชนแต่ความจริงตอนนั้นแหละที่น้ำมันขุนเพราะเขาขุดไอ้ดินมันออกมานะ่ยเขาเอาช้างเขาไปเล่นล่อเขาไว้นะเป็นปัญญาของมโหสดลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จำจำแล้วก็้องคิด คิดแล้วก็พิจารณาว่าปัญญาประเภทนี้เราจะมาใช้เวลานี้ยังได้จึงมีประโยชน์ยยรเรื่องของประวัติศาสตร์โลกหลานที่รักจงศึกษาให้ดีส่วนไหนดีเรามาใช้ส่วนไหนไม่ดีเราไม่ใช้ถ้าคนขายชาติย า, ยาวพญาจักรีและพญาศรนในสมัยร่วงศรีดียาและธนบุรีคนประเภทนี้ก็คนจะส่งเข้าไปหายอ ม, มทุก มีแล้วปู่ก็ได้สั่งค่านะส่งเข้าไปที่ส่งทางไรแล้วก็กัดบริเวณที่น่อใจลั้นก็เป็นเรื่องของลูกของหลานถึงของไม่ยากเรื่องนี้เรื่องเล็กเล็กมันดาทหารทหารที่นำสำเด็จทั้งสี่พระองค์กลับไปประทับอยู่ในอุมโมงค์ไกไล่แม่น้ำแบงทหารเ็เป็นสองพวกพวกหนึ่งเฝ้า ยู่เฝ้ารักษาอี่พูดหนึ่งไปแจ้วเรื่องที่นำพระราชโอ์เทั้งสี่มาแล้วก็ให้มมโหสดทราบมมโหสดดีใจมากที่แพ้กายเขาตนสาเร็จไปแล้วหนึ่งคันไหนอัคนละเวลาคนนั้นก็รอมยู่ยู่ย่โขคิวิิ้วว่ากันตามสบายสบายจริงเข้าไปเฝ้าใบเจ้าวิิติราชพร้อมไปด้วยอาจารย์ทั้งสี่ พระเจ้าวิเทหราชทรงกระยิบพระไทยที่หวังจะได้ชมเชยพระราชิดาของพระเจ้าจุล น, นีทรงฟังทูตกราบทูลว่าพระเจ้าจุล น, นีจะทรงพระราชิดามาคืนมาคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้นะพระเจ้าจุล น, นีประวัติธรรพระเจ้าวิเทหราชนอนยิ้มครีมวันนี้ได้กอกอินโหรสวยๆแม่เจ้า คิดว่าเมียเก่าเนี่ยเมียเก่าไ ม, เาม่เก่าแท้อุมพรมันเก่าแล้วก็แก่นะก็แยกคลายความสดชื่นวันนี้จะได้ดื่มน้ำพึ่งพระอาทิตย์ไม่ภัจจันทร์ดื่น้ำพึ่งพระจันทร์นล้วมันทั้งหวานทั้งยินสำหรับน้ำพึ่งพระอาทิตย์จะมันทั้งร้อนเลยมั็นทั้งร้อนทั้งแสบหวังเยนได้ชุนเ ช, ชิญพระชินดาวข้าเจ้า จ, จุลนี ทรงฟังพูดมากระลาภทนว่าเวลานี้พระเจ้าจุลนีจะส่งพระชินดามาคืนคื่นนี้และเดี๋ยวนี้ประโยคค่ะเจียวสันเดลุกจากพระราชบัง ล, ลังทอดพระเลขมาทางช่องประตูขึ้นดูใบหน้รต่างเห็นรอบรอบพระนครมีแสงสว่างในพกๆเพลิงและเป็นแสนๆดวก็มีและมีกองทัพมาเฮมาล้อมรอบพระนคร รู้สึกสงสารสนเทศในพระราชาอรไทยน้เพียงในใจว่าเอะนี่นีนมันอะไรกันแน่วะนั่นมันอะไรกันแนนี่เราไม่เข้าใจทำไมการยาสรัส่งลูกสาวมทาทั้งคนทำไมทนิตต้องเตรียมกายกันถึงขนาดนี้เชนี่ไ อ, อ้กามแห่กองเกียรติยศต็มันมากจริงๆรงหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้ตัดทานกับเสียนกกว่า อไอเ้เซนลกเนีไอเ้เซทเรเนี่ยเฮ้ยเซนลูกมันเราก็มีไอเ้เซทเรนี่ยใช่ได้ไม่ได้ไอ้บัณฑิตประเทศนี้เขาเรียกวบัณฑิตเนี่ยไม่ใช่บัณฑิตบัณฑิตก็เราเรู้ไอ้บัณฑิตทรงเดชนี่มันเรความไอ้คนอดคนอดดีอดพิเศษจะทำให้ชาติพ่ายลมจมไอ้ประเทศไทยเรายังมีอยู่แต่ไัมก็ยังคิดว่ามันเป็นคนฉลาด มันมีจริยาตย่าเจ้าอะไรสัตวิประจันเสนกอาจารย์สีนีน่มีอยู่เป็นอนาอัจเจ้าอาจ า, อาจารย์เสนกอะไรท่านถามว่าอาจารย์เสนกกองทัพหุ่มกราะเสื่อกรอบไม่ได้กองช้างกองมา้า ก, กองรถกองลาบมาร้อมท่าไรคนอยู่ในรอบมีแสงเพลิงสว่างสวัย ไอ้ยอย่างนี้เขามีความมาสม อ, อะไรคือว่าเขาจะมาดีแล้วมาร้ายต่อไปฟังถ้อยคงเขาให้เท่าสรารพัดพิษที่มันมีฤทธิ์จะด่ดาคนอื่นแต่ทำเลวมันตอบแล้วฟังดูนะเวลานี้คนในเมอืองไทยแล้วก็มีอยู่มากรัฐธรรมนูนต่อยมีประชาชนเขารวมด้วย ไปชาชนก็คือเขาไม่กี่คนไปชาชนส่วนมากเขาไม่ไดยุ่งกับรัฐธรรม น, นูนเลยเขาบอกว่ารัฐบาลเกรียงศักดิ์เนี่ยโอ้โหทาอะไรทันใจทุกอย่างให้ทุกอย่างนี้ไม่ไดีเลยส่งเสริมคุณเกลียงศักดิ์เลยคุเกลียงศักดิ์ไม่เฉพาะของปู่ถ้าคุณเกลียงศักดิ์ทําดีล้มปู่ก็สนรเสริญถ้าคุณเกรียงศักดิ์ทําชั่วล้มปู่ก็ต้องตีล้มปู่ไม่ใช่คนของใคร หลวงปู่เป็นคนของลูกของหลานทั้งหมดเพราะลูกหลานทั้งหมดเป็นที่รักของหลวงปู่ถ้าใครมาทาไม่ดีเพื่อลูกหลานหลวงปู่ก็จะต้องเปแยนนมเขาถ้าใครก็ทําความดีเพื่อเพื่อลูกหลานหลวงปู่ก็ชมหลวงปู่ไม่มีอคติไม่มีการรับสินบนจากใครใครจะให้อะไรมาถือว่าเขาให้ให้แล้วก็ทางานสาธรารประโยชน์ ให้แก่คนยากจนต่อไปสร้างสถานที่การศึกษาในป่าลึกเอาขอไปแจกกับคนในป่าลึกทึ่เขามีความที่ทางราชการเข้าไปถึงหลายๆแห่งไม่ถามเจา้าเทียมเพอยจังหวัดว่าเคยเข้าไปไหมหรอกเข้าไม่ถึงไม่เคยไปเลยครับนี่ทางการอย่างนี้และโลกหลานจัดการชะมั่งก็ดีนะ อย่าไปเลิกว่าเขาเป็นอะไรจนแมกว่าเขาเป็นลูกจ้างของเราเข้าใจอย่างนั้นนะอย่าไปเลิกว่าใครการเป็นพ่อเราอย่าลืมว่าเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงของเขาที่เขาใช้จ่ายนั่นคือเงินของเร า, าเราจ้างเขาให้สร้างความสุขสร้างความเจริญแต่ถ้าหากว่าถ้าเขาทําทุจริตที่ไม่ชอบทอยยศต่อเจ้าของเงิน จะเก็บเขาไว้ทวําพ่อเลยหรือว่าจะเก็บเขาไว้เป็นไนาย่ะทาํายังไงช่วยกันยิงให้ตายอย่าทาํามาบจัดการร อ, อยันไปหาท่านผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่คนนั้นไม่จัดการแสดงว่าผู้ใหญ่คนนั้นเขาร่วมมือกันด้วยช่วยกันจัดการซะเลยเรื่องเล็กๆว่าจะเป็นส่วนบุคคลจะให้แบบ ป, รประเทศชาติกระทบกระเทือน ย่าเสียดากีททก่กระทบกับเธอไอ้การสัตว์ไกันบ้างการเดินขบวนกันบ้างการหยุดการอยุดงานบริษัทต้องหยุดงานอะไรกันไม่อยู่กัอนอันนี้เลยเป็นการทําลายตนเองว่ากันแบบเงียบเงียบลากตัวมาจากที่นอนมาสั่สอนให้รู้สึกตัวหมดเรื่องเรามากกวา่าอะไรการมีไม่กี่คนเราทําแบบนี้เราทําได้อันนี้ไม่ได้ยุให้ปฏิวัติรัฐบาล ยุให้สั่สอนข้นรายการเร็วๆให้รู้สึกตัวนี่เวลานี้ให้ใจเขาเกิดท้องปู่มากแล้วแต่ว่าท้องปู่เป็นคนเข้าลูกของหลานลูกหลานมีความลําบากกว่าจะได้เงินมาแต่ดับบัดต้องใช้ชีวิตเขาแหลกแต่ว่าถ้าเขากินเงินของเราเข้าไปแล้วเขาคิดคดต่อยต่อเราเราจะเก็บเขาไว้เป็นพ่อเพื่อประโยชน์อะไร แต่จงอย่าทำลายชาตินิวไหนร้ายทำลายเฉพาะนิวนั้นคนไหนดีเราเก็บไว้คนไหนไม่ดีจัดการไปมันเรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าร้องปูลงนลองรังเกมอย่างครั้งก่อนแล้วก็ท้องปูจะนำเองและวิธีการข้องปูเป็นของไม่ยากเราว่ากันอย่างไม่ผิดกฎหมาย ทำกันด่าเพ่ที่กฎหมายทางอันตรายไม่ได้กฎหมายระเบียบประเพณีศีลธรรมเราจะรักษาไว้แต่ว่าจะจัดการกับขั้นราการที่เลวร้ายด้วยวิธีสันติวิธีจะบอกว่าคนนั่งเขาเป็นรัฐมนตรีทำไมได้รัฐมนตรีก็คนธรรมไดามันเป็นของไม่อยากยังคุยกันใหม่ว่าเรื่องกันต่อไปไอ้เจ้าเสฟลกเสพเพร จุนีกราบทูลพระราชาว่าขอในชะขอพระองค์อย่าได้ทรงตกทรงพระวิตกไปเลยพระเจ้าค่ะขา้าพระพุทธเจ้าคิดด้กล่าววา่าอาจจะเป็นกองกเกียรติยศไม่ละ่ะซึ่งพรเจ้าจุนีจดนัดไว้ในในการประกอบพิธี ร, ราชาพิเศษออะพิเศษนะโอ้โอภิเศส ม, มรสระหว่างพระองค์กับพระราชิดา เขาไม่ จ, าจ้าจุลนีก็เป็นได้ไปเหยียบาเห็นไหมนี่ไนอะ้นคนพูดห น, นักลีตติชบ้านแต่เมื่อแท้จริงๆปัญญาของมันไม่ได้มีอะไรเลยเห็นปัญญาของมันไหมไอ้นคนบนเทนี้ถ้ามีในประเทศไทยแล้วก็ปิดปากมันซะบ้างนะวิธีปิดปากเป็นของไม่ยากแต่น้าปูดบอกไม่ได้ ถ้ามากระซิบกระซิบกันแล้วเขาบอกนายอย่าไปจะไปเชื่อไม่ไมต้องไปเคร่งครวอะไรถ้าเราทําไม่ผิดวินัยไม่ผิดระเบียบไม่ผิดประเพณีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดสินทำเราทําได้ทุกอย่าง เ, าเวลานี้เราเป็นเจ้านายของข้ า, ขาราชการเราไม่ได้เป็นขี้ข้าของข้าราชการ ผู้แทนแนักสนเป็นผู้รับใช้เรานะอย่าให้เขามาเปไน็นนายอย่าให้เขาเป็นนายถ้าเขาแปลกดนราะสนทนาตนว่าบุกคัดผู้แทนคนใดมาเป็นนายเราเราจงชี้เขาออกเสียจ า, จากตำแหน่งผู้แทนแ น, นักสนทถ้ากฎหมายไม่มีแล้วก็ใช้กฎประเพณีใช้รัฐมนตรีคนใดทำตนไม่ดีแล้วก็จัดการตามนระบบประเพณีของเราอย่างภายแท้ ไม่มีใครเป็นพ่อเราถ้าเขาทำไม่ดีถ้าเขาทําดีเราก็เทิดทูนสำหรับอาจารย์ปุกุสะเราถ้าคำถามนะพระราชาถามเห็นว่ายังไงไอ้ย่อสามขนพยักษ์เธเหมือนกันขุนพรหมยักษ์เมื่อทรงรักถามอุกุสะปุกุสะกราบทูลว่าเป็นกองเกยียรติยศเขาไว้เจ้าจุนานทีที่จัดขึ้นเพื่อไป็นเกยียรติแกพระองค์พระเจ้าค่ะเอาสิ อาจารย์อื่ น, นๆก็กราบทูลตามความคิดเห็นของตนมี่ความจริงมันบ้านะไอ้สีคนนี้บ้ากองทัพแท้ๆไอ้กองเกียรติยศใครเขาจะบ้าๆบอๆยกคนมาเป็นแสนเขาก็มีขบวนเกียรติยศนิดหน่อยเท่านั้นยาเล็กน้อย่ า, นนออยามากก็เป็นหมืน่นแล้วก็ต้องมากลางวันไม่ใช่มากลางคืนที่จะมากลางคืนก็ต้องแจ้งให้ทราบ ยานล้ากะเดินแห่ติ้งช่างติ้ช่างิงช่างตรงติ้งตุ้งตกระว่างตามเรื่องไอ้นี่มาจากกองทัพสี่เราคนนับแสนเนี่ยมันบอกว่ากองเกติยศนี่คนจังไรในประเทศไทยแบบนี้ยังมีอยู่นะโหลานที่รักเวลาใครมาหาเสียงแล้วฟังให้ดีประวัติมันไม่ดีมาก่อนอย่าเลือกมันเข้าไปก็เจ้าวิเทยรราชได้สัดับเสียงอีกนึงในกองทัพ รับสั่งว่าท่าสั่งกันว่าทหารเหล่านั้นจงไปตั้งกองอยู่ทางด้านนั้นด้านนั้นแน่เอาไหมอย่าใหม่พระเจ้าวิเท迦ราตเมื่อได้สนับเสียงอกหนึ่งในกองทัพสั่งกันว่าขอถ้าของโลกนะทหารเหล่านั้นจงไปตั้งกองอยู่ทางนั้นทางโน้นคนนี้นไปอยู่ที่น่นคนนี้ไปอยู่ที่น่ น, ใ น, ใ น, น, นไไและก็ให้ทุกเหล่าเตรียมพร้อมไว้เสมออย่าประมาท คอยฟังรับสั่งผู้บังคับบัญชายะสั่งบริการใดทั้งสังเหนได้า ห, าหารทุกเหล่าหุมเกาะัวท่าทีคุทนัเอ๊ทหารเขาไออกนะทำทีทคล้ายทำการบุกทลายบนรณาอทหารข้างนอกเห็นทหารข้างนอกสั่งนี่โว้นั่นไปอยู่ตรงนั้นคนนี้ไปอยู่ตรงนี้หุ้มเกาะทำท่าทางมันขยักเข้ายึดแต่ก่อนจะทำลายให้พินาในพริบตาเดียวโอ้โห ไอกระมังทั้งสี่นี่มันไม่ได้มีปัญญาก็ทรงสนดุวงพระไทยหวาดหวันเกลงว่าจะเป็นอมบายขา้าพระเจ้าจุนานีพรทธะทัด์ลอกเอามาทำร้ายเพื่อให้แน่พระไทยในเหตุการณ์นั้นจื่ต่ถามโหสถว่าข้อมโหสถว่าอยังไงข้อมหโหสถลูกรัก ข้อเห็นไปยังไงจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราในทางดีหรือว่าทางรายมหาสัตว์คิดว่าเราจะต้องทำให้ราชามวเมาในกามมาคุณสะดุ้งประเทศไทยสกักแต่เน้อยเลยไม่นมนะ่าให้ควายแก่อยากจะกินหญ้าอ่อนมวเมาในกามมาคุณมันก็ไม่เป็นเรื่องแล้วจงแสดงกำลังปัญญาของเราให้ปรากฏในภายหลัง ไอ้มาพระราชาเมาเนี่ยเมาในกามคนเดาลืมนะเรื่องสุรานารีภาชีกิรามัตล้มป่วยในมารู่หลังไปแล้วว่ามันไม่ดีนี่พระใส่ติดเหยื่อเขาล่อในสตรีทํามองว่าสดบนแล้วว่าอย่ามาก็อย่าจะมาเพราะสดก็ควรอลไรจะทําให้รู้ตัวเพสดจริงๆคิดว่าจะต้องทําให้พราชาที่โมเมาในกรรมมาคน สดุมาไทยสักเล็กน้อยแท้จริงจะแสดงกำลังปัญญาขอเาให้ปรากฏในภายหลังยม่กลาบทนว่าข่าแต่พระวรมกษักตริย์พระเจ้าจุลนีมีกำลังแสนยานุภาพมากทรงจัด ก, กำลังทหารมาล้อมพนะนครนหวังจะจับพระองค์ปลงระชนในวันช่วงนี้พระเจ้าขา่านี่ครับพูดตามความเป็นจริง พอพูดจบพระเจ้าวิเ ท, ทียร่าเท่าไงสะดุง้งยิงสะดุ้งโดยคำไม่ทราบเงือแตกลักเสีโทนไหลความเสถูคือเหงื่อนไหลพลักหน้าซีดท่านหน้ามาหดไปได้คนเหลือเส้นเดียวพระเจ้าวิเ ท, ทียร่าได้สนับคำคำว่าโหสุดกราบทูลเล่นเอาพระศอแห้งผ่าคอแห้งถ้าพักซีดเสียว โซโลนก ว, ยวายประไทพไทยว่าิอากายร้อนเผาเผาโห โ, โหข้ามาค่นมาว่าพอโมโหสุดเอยใจของพ่อสันริษปากก็คอปากคอก็แห้งความรุ่มร้อนเกิดภายในมือก็ไฟสมเห็นไหมร า, าขั้คคีไฟกราคะชลูกหลานที่รักอย่าหลงมนักไรกามารมณ์ เอาแบบสบายๆรหลานี่เป็นสตรียอย่าหลงล้เลินยิงเกินไปในเรื่องการมารมความทุกข์ใจมันจะเกิดฝ่ายโมโหสดในฝั่งราชาทรงข้างครวจนจึงดำหนีว่าราชาไม่เชื่อเราตั้งแต่ต้นเชื่อคนอื่นมากกว่าเราก็จะต้องทรมานพระองค์ต่อไปที่นี้กระาบทูลว่า เขากราบคุณว่ายังไงโลูหลานที่รักทราบไหมทราบหรือไม่ทราบวันนี้ไม่มีเวลาแสดงในโลูหลานเอ่ยวันหมดเวลาเอาไว้ฟังกันวันหน้านัสตอนนั้หรับวันนี้ลาก่อนขอความสุขสวัสดพิพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเในทั้นเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุนี้ทุกคนและบรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนตลอดนั่งลูหลานที่รักสวัสดี